สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชื่อพระเซู ต, ตอนที่สามร้อยี่สิบเรื่องทำอธิษฐานของพระเยซูรครั้งที่เก้าสิบห้าคำคุณขอที่เจ็ดขอให้ค้นจากซึ่งทัวรา้านพี่น้องครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคําอธิบาย otion, ดีเวอร์ชั่นเกี่ยวกับคําทูณขอที่เจ็ดก็คือขอให้พ้นจากซึ่งตัราย ในเช้าวันนี้ผมอยากให้ที่น้องได้มีโอกาสไ่ขวนพระวจนะครับผมมีวจนะหลายตอนที่จะให้เป็นของขวัญซึ่งโพรจนะนี้เป็นโพระวจนะล้วนๆนะครับที่ทำให้เราจะเข้าใจสรุกของความชั่วร้ายมารร้ายการทดลองการทดสอบและการล่อลวงโปรดฟังโพรจนะของพระเจ้าหนึ่งเปโตบที่ห้าข้อที่แปด ท่านังหลายจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัต ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, รูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงคารามเที่ยวไปเจาะหาคนที่มันจะกัดกินได้โปรดฟังอครั้งครับท่านังหลายจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงคาราม เที่ยวไปสอบหาคนที่มันจะกัดกินได้ข้อที่สองครับลูกาบที่แปดข้อสิบสองมารมาชิงเอาโพราะชนะจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เชื่อและรอดได้มารมาชิงเอาเพราะชนะจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เชื่อและรอดได้ตอนที่สามครับ สองโคริน บ, บทที่สี่ข้อที่สี่ส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้นพระของยุคนี้ได้จะทำใจของเขาให้มืดไปเพื่อไม่ให้เขาได้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐเรื่องพระสิริตของพระพิตรผู้เป็นพระฉายของพระเจ้าส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้นพระของเขาพระของยุคนี้ ได้กระทําใจของเขาให้มืมไปเพื่อไม่ให้เขาได้เห็นความสว่างของข่ขาวประเสริฐเรื่องพระนิริของพระริคผู้เป็นพรานของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมสองโครินโบทที่สี่ข้อที่สี่ครับขอบ้อจนะนั้นตอนที่สี่ครับสองโครินโบที่สิบเอ็ดข้อสิบสามถึงสิบห้าสองโครินโบทที่สิบเอ็ดข้อสิบสามถึงสิบห้า อัครทูตเทียมปลอมตัวเป็นอัครทูตของพระคลิกการกระทำเช่นนั้นไม่แปลกประหลาดเลยถึงชาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างได้เหตุฉะนั้นจึงไม่เป็นการแปลกอะไรที่คนรับใช้ของชาตานจะปลอมตัวเป็นคนรับใช้ของความชอบธรรมโปรดฟังอีกครั้งอัครทูตเทียมปลอมตัวเป็นอัครทูตของพระคลิก การกระทําเช่นนั้นไม่แปลกประหลาดเลยถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างได้เหตุฉะนั้นจึงไม่เป็นการแปละอะไรที่คนรับใช้ของซาตานจะปลอมตัวเป็นคนรับใช้ของความชอบธรรมข้อที่ห้าครับพระเยซูตรัสว่าซีโมนซีโมนเอ๋ยดูเถิดซาตานได้ขอพวกท่านไว้เพื่อจะ ฝัดร่อนเหมือนฝัดข้าวสาลีแต่เราได้อธิษฐานเผื่อตัวท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาดพระเยซูตรัสว่าซีโมนซีโมนเอ๋ยดูเถิดตาตานได้ขอพวกท่านไว้เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดข้าวสาลีแต่เราได้อธิษฐานเผื่อตัวท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาดตอนที่หกครับ เอเฟสัสบทที่หข้อสิบเอ็ดและข้อสิสองจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งสุดของพระเจา้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามาได้เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองจากทิเทพเทพผู้ครองที่พบในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานป่าอากาศ จงสวมยุทธพันธ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามาได้เพราะว่าเราไม่ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองจกักรเทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสนามฟ้าอากาศพระชมทีตอนที่เจ็ดครับหนึ่งย้อนบทที่สี่ ข้อที่สี่ลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝวัยพระเจ้าและได้ชนะเขาทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝวัยพระเจ้าและได้ชนะเขาเหล่านั้นเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก จะดูดีบทที่121ขอ้อเจ็ดและข้อแปดพระเจ้าจะทรงอารักขาท่านให้พ้นพยันตรายทั้ ง, งสิ้นพระองค์จะทรงอารักษาชีวิตของท่านพรงจะทรงอารักษาการเข้าออกของท่านตั้งแต่การแบบนี้คือไปเป็นนิดจะดูดีบทที่121ขอ้อเจ็ดและข้อแปดพระเจ้าจะทรงอารักษาท่านให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้น พระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่านพระเจ้าจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่การบัดนี้ถือไปเป็นนิตรพี่น้องครับเทั้งคมภีรต่างๆที่ได้อัญเชิญมาให้กับพี่น้องในวันนี้มีทั้งสิ้นนะครับแปดข้อด้วยกันพระคัมภีร์เหล่านี้จะตอบคําถามครับว่าใครจ้องทําลายเรา ศัตรูโจมตีคนที่ไม่เป็นคริสเตียนอย่างไรนะครับศัตรูทําอะไรต่ออีกบ้างสาหรับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนศัตรูหรือการล่อลวงเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนอย่างไรศัตรูจะทําอะไรต่อกับพวกเราอีกและพระเจ้าจะช่วยเหลือเราอย่างไรและข้าพีของเรา ในการต่อต้านการโจมตีของศัตรูเรานั้นควรจะเป็นอย่างไรและเมื่อเราเผชิญหน้ากับมารตาตานศัตรูของเราเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อจะมีพระสัญญาอะไรและสุดท้ายก็คือพระสัญญาข้อไหนบ้างที่จะหนุนใจเราได้ทําให้เรามั่นใจว่าเราจะได้การอารักขาพี่น้องครับแปดคำถามนี้ ก็คือ8คำตอบที่ผมได้อัญเชิญโคจนามาถึงพวกเราทั้งหลายทุกคนในเช้าวันนี้สุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจัดกันในเช้าวันนี้เพียงครั บ, รบผมอยากจะมีข้อคิดให้กับพี่น้องนะครับคำถามก็คือถ้าพระเจ้าตอบคำอิษหานของเราในทุกเรื่องนะครับถ้าพระเจ้ า, าจะตอบคำอิสหานของเราในทุกเรื่อง จะเกิดอะไรขึ้นครับคำตอบก็คือถ้าพระเจ้าสอบคำอัญชันของเราในทุกเรื่องเราจะกลายเป็นคนที่ควบคุมโลกนี้หาใช่พระเจ้าไหมเราอาจจะนำความขัดแยง้งเราอาจจะนำความเห็นแก่ตัวเราอาจจะนำความไม่ลงรอยกัน เกิดขึ้นมาในโลกอย่างมากมายมหาศาลครับหากว่าพระเจ้าตอบทุกๆคำอธิษฐานของเราเพราะว่าเรายังมีเนื้อหนังเราย่งมีความบาปเราย่งมีความเห็นแก่ตัวเราย่งมีโมหะเราย่งมีการควบคุมตัวเองไม่ได้เยอะแยะมากมายกับคุณลองในชีวิตของเหาพระเจ้าตอบคําธิษฐานทุกคำอธิษฐานของเราเราจะนำมาซึ่งปัญหาต่งางๆเยอะแยะมากมาย ความขัดแย้งต่าง ๆ, ๆนี่ได้มากมายในโลกนี้ได้พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่ไม่เช่นนั้นนะครับเมื่อพระเจ้าไม่ตอบคำอุทานของเราในทุกเรื่องนะครับพระองค์กำลังเตือนเราว่าใครกันแน่ที่ควบคุมครอบครองโลกนี้อยู่ใครกันแน่ที่อินชาร์ททุกสิ่งทุกอย่างอยู่คาตอบคือ พระเจ้าของเราใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจเมื่อพระเจ้าไม่ตอบควอธิษฐาของเราแต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แสนจะประเสริญยิ่งทรงแสนดีทรงน่ารักและทรง เปี่ยมด้วยพระคุณและพระเมตตาเสมออเมน